ฝรังว่ามาเถอะหลวนฝรังาาร่งไม่มาหลวนมันสองคนไม่มามนะถ้าหลวงพออ่ออ๋ออหลวงตกแล้วก็ทำงานานะฮะอ๋ะออ ม, มาได้เฉพาะวันอาทิตย์ มันเสาอาทิตย์เขาทํางานแต่งงานเลยมมีงานมนเหอนเดิเหมือนจะทํางานโรงพยาบาลแล้วก็บอกว่าก็ต้องทำงานเป็นพระคนที่อ่านบ่นๆอืมโดยเฉพาะทางนี้เขาใช่พวกหมอเยอะเพราะว่าคนเท่าเยอะคนเท่าคนแจ่ประเทศนี่ต้องมีหมอประจําหมอดูแลประจําหมอดูคนป่วย <c oughs> มีหลายประเภทพวกใกล้จะหายเอาไว้แห่งหนึ่งพวกบ่วยหนักก็ไว้แห่งหนึ่งต้องมีหมอดูแลญาติพี่น้องลูกหลานเขาก็งานเยอะไม่มีเวลา <c oughs> ต้องอาศัยเงินทางรัฐบาลช่วยตัูปัจจัยเงินทองของประเทศไทยก็ยั <c oughs> งเรียกร้องเอาอยู่เดียวนี้ <c oughs> นี่ขอร้ อ, องให้เป็นคนแจหน่อยก็สามพันขึ้นไปแล้ว สามงพคลาสซิตก็ยังไม่ตื่นเลยหลวงพ่อยังซิตที่เป็นแฟนของแดงครั่าฮะอ๋อสงสัยจะไปก็ไม่รู้แหละหลวกพ่ออืมก็แผลให้แล้วถ้าถึงเวลาก็ไปตามสบายถ้าไม่ถึงเวลาที่จะไปก็เรียบหายเร็วๆมันก็มีอย่างนั้นแหละเรื่องของโลก เกี่ยวกัเมตตาให้ไปก็บให้อยู่ <c oughs> ท่านั้นแหละเมตตาอย่างอื่นไม่ได้ถ้าไม่อยากเป็นอย่างนั้นก็ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าไปแต่ไม่อยากจะไปคนหวงนรกแต่ไม่อยากไปโลกสวรรค์มันไม่สนุกสนุกเมืองฟ่ามิแต่แดดกับฝนสนุกเมืองคน้นมิแต่กินกับเลน เมืองฝ้าเห็นไหมันสบายไหมหละ่ะมิแต่แดด ก, กับฝนประเล่นเดียวประเทศเมืองของโลกเมืองนรกอย่างมิแต่กินกเล่นตินเล่นเนื้อสนุกแบบกินกินเล่นเล่นแค่นั้นไ <c oughs> ม่ว่าเก็บไฟได้ป่วยก็จะลองให้ <c oughs> ไม่ไม่ฟังของพระเจ้าเสียงพระเจ้าเกิดแล้วแกเจ็บตายใครจะห้ามได้แต่หาหมอ ก, มก็ห้ามไม่ได้มันก็หายหายยังอยู่คือตาย ตายแล้วไปไหนทีนไปตามผลบาปผลกรรมที่ทำถูกวันนี่ถ้าเคยดูบุญเคยสดูสวรรค์ก็เห็นสวรรค์ก็ไปสวรรค์ถ้าไม่เคยดูไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นก็ไปนรกก็มีสองทางไปแต่จะไปพูดเรื่องคุมนั่นคุมนี่ก็ุ ม, มเคยไปรูปกี่ขุมเยอแะแยะเรื่องของใจอย่างเดียวไปพูดเรื่องคุมของใจนี่นหนึ่งดีสองชั่วหนึ่งนรกของสวรรค์ก็แค่นั้น ถ้าเชื่อพูดเจ้านะถ้าไม่เชื่อก็เล่นไปแล้วอยากเกิดก็เกิดอยู่นั่นแหละบวดทุกข์ปวดยากขึ้นการเกิดเป็นทุกข์พูดทําไมเราไม่ได้ยินเพราะไม่มีปัญญาจะได้ยินยังไงทันอาเกิดทันอาเกิดทันอาเกิดอยู่นั่นแหละวันไหนวันไหนนีอยากเกิดมันก็เกิดให้เห็นอยู่ทุกนั้นวันทุกวันไม่ต้องมาพูดเทยๆมันก็เกิดให้เห็นอยู่แล้วนี่ต้องว่าทันอยาเกิดหรอกมันก็เกิดอยู่แล้ว รักโลภโกรธเห็นไหมล่ะเกิดความรักเกิดความโลภเกิดความโกรธมาจากไหนความรักความโลภมาจากไหนความโกรธมาจากไหนไม่ปล่อยไว้ว่างไม่ทิ้งไม่จะเก็บเอาแต่พวกที่เกิดเกิดไม่ให้เกิดได้ยังไงเพ ร, ราะเราสแสวงหาแต่เรื่องเกิดเกิดอยูอย่างนั้นนี่เ <c oughs> <c oughs> พราะฉะนั้นพระเจ้าจึงได้บอกไว้ทําที่เราตถาคตได้ตัตะรู้ยากที่สามัญชน นั่นจะทําได้ศาสนามันจนคนธรรมดาทําไม่ได้หรอกนั่นคนเหนือโลกเหนือโลกเข้าไปดูสี่ฟังดูสิคําพูดเหนือไหมคําพูดเหนือการกระทําก็ให้เหนืออีกหลวงพ่อตรงไห่พระไม่ามาใส่รองเท้าคุาทสถานนั่นไม่งั้นพระเจ้าจะให้เป็นคนทุกข์ยังไงล่ะตอนนี้คนเห็นทุกข์คนได้เห็นทุกข์คน น, ค น, น, คนั่นเห็นธรรม อยู่แบบคนทุกข์เห็นทั้งใจด้วยแล้วการอยู่การกระทําก็ให้มันอยู่ด้วยความทุกข์จะเหนือโลกตรงไหนเอาแต่งเอาเท่าไรก็แต่งได้หมดนะเรื่องของพระจะเอาอะไรก็ไปโอไปห่อในกุฏิพระลมสาราอะไรที่ไหนได้หมดนะไม่ต้องไปก็ได้เห็นแนะล้วโยมมาส่งแย่ๆถ้านจะพูดแบบ มักง่ายนะแบบ น, นี้เรามีเพศแตกต่างจากกรหัดแล้วจิตใจอาการกายวาจาใจพ่องนู้กี่ห่างแค่งใสเสื้อใสแล้วก็เหมือนโยมทุกวันมันเหมือนมันแต่งเหมือนโยมก็มั น, ม น, มนไม่ ไ, มไมใช่เป็นพระหรอกผมว่จะให้แล้วบอกแล้วนะเอาอะไรมาเป็นโลดอ่างเมืองหนาวเมืองหนาว แล้พวพูดที่เจ้าไม่เห็นบอกบรรจัดไปเมืองหนาวให้ทําอย่างนั้นเมืองร้อนให้ทาอย่างนี้นี่แต่เมืองหนาวไม่ให้อาบน้ำบ่อยเท่านั้นแหละไม่ว่าใส่เสื้อก็ได้เมืองหนาวใส่กางเกงก็ได้เมืองหนาวไม่เห็นพูดเลยนคนบรรจัดเอาอย่างงั้นเพราะฉะนั้นก็บพุ่นบายกันอยู่อย่างเน็ตโลกก็คนชอะพุ่น บ, บ, บายผู้มาบวชก็มาจากคน ใจบวชไหมเดี๋ยวเอาแต่แผลขมทํตั้สุม่มสีสุมากไป <c oughs> เอาเอาหนาวเป็นโลนะ <c oughs> พวกเกี่วพุ่นหัว่ะล่ะฝาพระสัติกดำเราไปมุ่งอีกก็ได้ฝาพระสัติกกลายอยู่ท <c oughs> ีก็ไปแกะอัดก็นห้ กุฏิจ้วยมันพเจ้าขันวะอยู่ใ้ยูบามีประตูไฟออกจากไฟใหม่ไฟหนังประตูไฟบะมี่ไปเลยพระขันยูพระอย่างขัอยูจะไดขันยูไม่แล้วใบมันใหม่ก็เลยก็ไฟตัดออกวัตรก็เลยตัวมีค่าต่แนงหยาดมีไฟไม่แล้วปร้านไฟไหม่น่ะก็ตัดออกมันก็ยิ่งสบาย เดีว่าคนป่วยก็มาเย็บไปไม่รับประจัยจะไปจะไม่ทําให้พระป่าทําพระป่าจะเดี๋ยวส่งให้คุณโสภะเลยนะคะเพราะว่าพึ่งรวมเงินอยู่ที่โสภะตอนนี้เอารวมไว้รวมไม่ถ้าส่งไ้ก็ส่งไปไปยะจะไปช่วยอาจารย์อัดท่านมาช่วยดูแลทําอะไรทําเรื่องต่างๆนานากับท่านตลอดทางการขอพระขออะไรก่อาศัยท่านก็ก่อนทีอแรก ว <c oughs> ่าน้อก็ไปช่วยท่านโดยเฉพาะพอ้ผมรอมอบิปไปคือที่ดินสร้างวัดไม่ได้เอาไปไหนถ้าสร้างโบสถ์สร้างวิหารยังไม่อิ่มใจเท่าที่ดินถ้าที่ดินแล้วอยู่ยังไงก็ได้อยู่คนตนไม่ยิ่งดีเพราะแนวทางของกุญเจ้ค่ า, าอยู่คนตนไม่ <c oughs> อะไรขอไอที่ดินจะไหวเอาไว้ววเพื่อช่วยเผยแผ่ ถ้ามีวัดมีวามีศาสนาช่วยเคยแผ่มีสถานที่ที่เป็นทธิเป็นมงคล <c oughs> <c oughs> น้อยที่จะมีพูดแฉวงหาทางสินทางธําเอาไว้ช่วยบ้านตามตัวท่า น, นมังกรตาเราไม่สนุกทำทานทุกวันเนี่ยเพราอนนี่แหละยังเจ็บหอ ม, อมร้อนิบยังต่อให้ช่วยหลวงปู่ยังไม่ครบ ทำไมลงเกาะทำไมก่อนมันมีทาธนาคารเขามีพันธบัตรพันธบัตรเนี่ยพันธบัตรมันได้ดอกผลได้เยอะได้ขึ้นมาเกือบทันลาดหรือว่น่า จ, จะหยุดของลุงปูกพอพันธบัตนจึงหยุดใครเนะี่ยหยุดอแจกพันธบัตร <c oughs> ทําเป็นบางปีบางปีไปแล้วก็ไม่ให้ซื้อมากเสียด้วยน <c oughs> คนคนหนึ่งไม่ให้ซื้อมาก พันธบัตรดอกปุนได้ยกไม่เร่งพมนาเข้าที่มันก็อุ่นดีแล้ว <c oughs> มีเตียงเข้าไปเราก็ถ้ามันเล็กก็เอาไปทอนกันเข้าก็ได้เพื่อช่วยพระสงฆ์รักษาเห <c oughs> ็นมาตัวหนึ่งที่ป้าอ่าหนุนไม่คนเจ็บเลยก็อี้เป็นของสงฆ์น่ใครเอาไปตากแดดปับทอด้ีพระไม่ใช่ว่า เบิ้งซื้อๆเบ่้เก็บไว้เด้ไปเห็นแล้วไม่เก็บก็ปรับโทษอีกเด้ใครเอาไปตากก็เป็นโทษตากแล้วใครเห็นไม่เก็บก็เป็นโทษพระจะหนีออกจาก ก, ากุฏิไปถ้าหากไม่คว่ำน้าออกไม่เก็บทําความสะอาดเสียก่อนไปไม่ได้เดนะนมม้นั่พวงน้ำนี่ตรวสัตว์ก็บอะไรน้ำเกิดตัวศัตว์อะไรพอจะไปเราก็ต้องงุ่มแวงน้ำเหนียดหันเหนียนนีเมนียนเพืาา่อสะอาดอาสนะ มาไปถ้ายกขจิกาถ้าบ่มีพระให้ช่วยดูแลตรงนนตรงนี้นะครูเจ้าสอนในพระรอบครอบบ่เป็นสอนในพระเกียรต <c oughs> ิยันรักษาตนเองก็รักษามีศีลมีธรรมก่อนอยู่ในกรอบของพระธรรมยินัยคนทุกทรมานอ้าวลงหมดไปมากแล้วอายุอีกไม่นานาก็จะไปแล้ว <c oughs> ไปด้วยความบริสุทธิ์หรือไปด้วยความเศร้าหมอง เจ้าของเองละถามใจของเราเองนั่นเราจะไปด้วยความบริสุทธิ์หรือจะไปด้วยความเศร้าหมองไม่มีใครมรันลูกให้เท่าเราเองหรอกว่าโจมมันนี่ไปมก็ชอบใจน้องผู้ชายโอ้ไม่รู้จักว่าพระอยู่ยังไงว่าว่ไม่รู้ว่าพระอยู่เพื่ออะไรเลย ก็เลยโอ้เข้าใจแล้วเรื่องของพระเรื่องของสงฆ์พระอยู่ด้วยการชักฟอกใจด้วยการแต่งใจด้วยการเลี้ยงใจให้อาหารใจไม่ยุ่งกับร่างกายร่างกายที่ไหนโยมพายุ่งเอาไปออกโยมพาสีเสื้อสีผ้าสีแดงสีขาวสีเหลือสีหน้งให้ใส่สีเดียวเล็บทำมันยาก็ตัดออกไม่เอาไปทา ผมทามันยาวก็แถออกไม่ให้เจ็บไว้ที่ไหนเพื่องของโลกวิญยาณพระทำไม่ได้แต่ตัปัจจัยเงินทองโลกพาใช้พระเจ้าก็ไม ah e ่ให้ใช้พอมันยุง่งมันทำให้จิตใจไปติด ต, ตรงนั้นแหละไปทำอะไรไปยุง่งอะไรก็ไปติดตรงนั้นเขาก็ดีใจเออต่อไปสิตใจังสมาธิรักษาใจทุกมมือเยอะหรอไห น, น อาละพอนซาบโลกาวนมตสาพัสันตา